เรื่องการบรรพชาของสหายห้สิคนของพระยะศักด์ข้อสาสหายเครือหัดของท่านพระยะศัสดิ์จำนวน50สิบคนเป็นชาวชนบทเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยได้ทราบข่าวว่ายาศักดิุลบุตรวนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วครั้นสหายเครืหัดได้ทราบข่าวแล้วจึงได้มีความคิดดังนี้ว่า ทำวินัยและบรรพชาทิยสักกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชตนั้นคงจะไม่ต่ำสามเป็นแน่ครั้นแล้วสหายเครือหัสเหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาท่านพระยสะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระยสะแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรครั้งนั้นท่านพระยสระจึงพาสายเครหัดหสิบคน ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเก็งที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรท่านพระยาศัก์ผู้นั่งหน้าที่สมควรได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าสาายเครืงหัสของข้าพระองค์50สคนเหล่านี้เป็นชาวชนบทเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อย ขอพระองค์โปรดประธานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุปิกาาคือทรงประกาศ 1. น่ทานกาาสองศีลกาสาสสักขกถา 4. กามาทินวะกาา 5. เนคขัมมานิสังสกตาแก่สหายเหล่านั้นเมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรน เบิกบานของใสจึงทรงประกาศสามุกังศิกธรรมเทศนาะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักทมจากสุอันปราศจากธุลีปราศจากบนทินได้เกิดแก่พวกเขาณนะที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสาด ปราศจากมนทินควรรับน้ํายอมได้เป็นอย่างดีพวกเขาได้เห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้แจ้งทำแล้วยังลงสู่ทำแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบรนรชา เพิงได้การอุปสมบทในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประฤพิดพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดทวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกถา